ท่านฝังครการเจริญอาณาปานัสติการได้ฟังพระสูตรที่ดิฉันก็เข้าใจว่าประมารชาเขาวโรหรือว่าท่านมาร์ค ข, ของเราเนี่ยก็เจริญสติไปด้วยขณะที่อ่านให้พวกเราฟังทุกทุกคนสมาธิจิตของหลายคนก็คงจะดำเนินมาถึงช่วงนี้และช่วงต่ อ, ตอไปที่กำลังจะกราบเรียนสนทนากับพระอาจารย์ภัยบู์อะพิปุนโน จากวัดป่าดอนหายโศอุดรธานีเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะระมัดราบนวัฒกธรรท่านกันค่ะในวัฒการรมท่านค่ะเจริญบานท่านพึ้บุญค่ะวันนี้อยากจะสนทนากับท่านเกี่ยวกับเรื่องของแม่อีกสักกวันหนึ่งนะคะอถึงแม้จะไม่ใช่วันแม่คือในส่วนตัวของที่ฉันเนี่ยก็คือคุณแม่เพิ่งครบรอบวันเกิดไปเมื่อไม่กี่วันที่ ผ่านมาอืปกติเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะกราบเรียนถามท่านเราก็จะถามท่านเรื่องตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่เราอย่างไรดีหรือว่าถึงเรื่องเมื่ออ่าท่านเจ็บแค่ได้ป่วยเราจะดูแลท่านอย่างไรดีนะคะดิฉันไปเจอผู้ปฏิบัติที่วัดอา ป, ปะพง mm hmm. ะโดยบังเอิญ น, นะคะที่ฉันไปกราบท่านอาจารยริสเขามาขอบคุณดิฉันใหญ่ เขาก็บอกว่าแม้ได้ฟังเทพเสียงคือดิฉันบันทึกผู้ทวจนะบทอาณากานัสติเอาไว้คำจริงก็เพิ่งบันทึกอันนะคะแล้วทางนั้นก็เพิ่งเอาอัพโหลดขึ้นมาถึงทางวัดนะคะเขาบอกคุณแม่ป่วยหนักอยู่พอดีก็เลยได้ไปเปิดให้คุณแม่ฟังแล้วก็คุณแม่ก็ค่อยๆที่จะมีลมหายใจที่บางลงบางลงจนกระทั่งได้จากไปลูกๆเนี่ย มีความสบายใจเพราะเชื่อว่าพุท้ทวจนะที่คุณแม่ได้ฟังคงจะทําให้คุณแม่ได้มีสติในฐานที่ตั้งที่ถูกต้องและไปดีอืค่ะทีนี้กลับมาถึงทางนยาค่ะที่ฉันจะถามท่านว่านิวันเกิดของคุณแม่ถ้าเราระลึกตามธรรมของพระาศาสดาเนี่ยนะคะออืเราจะระลึกอะไรดีแล้วเราก็ควรจะทําอะไรดี เพื่อที่จะให้สมควรกับการที่ท่านเป็นบุคคลที่มีพระคุณกับเราเหลือเกินค่ะ อ, อ, อันหนึ่งที่เราระลึกได้พระพุทธเจ้าบอกว่ า, ากายนี้เนี่ยกายคือรูปนี้เนี่ยประกอบด้วยธาตุทั้ง4ี่มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดเราเอาแค่ตรงนี้ก่อนแต่พระพุทธเจ้าบอกกายของเราเนี่ยมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดอันนี้เราระลึกได้ละ โอ้ <Okay. S 1> กายของเราทั้งหมดเลยนะมีมันดาบิดาเป็นแดนเกิดนะคือไอความสุขอะไรต่างๆที่เราได้มาทั้งหมดในโลกเนี้มาจากบิดามัรดานะนะ <Okay. S 1> รถที่เรามีเงินที่เรามีในกระเป๋าชื่อเสียงเกียรติยศความรู้ความเรียนต่างๆมาจากท่านหมดนะเพราะว่าให้กายนี้มา <Okay. S 1> ให้กายนี้มาจึงทําให้เกิดสิ่งต่างๆตามมาได้ถ้าไม่มีกายนี้ก็คือจบ <Okay. S 1> อันนี้อันที่หนึ่ง <Okay. S 1> อันที่สองที่พี่เจ้าได้ตรัสถึงก็คือว่า มารดาบิดาเนี่ยเป็นผู้ที่มีอุปการะมากนะประคบประงมแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายแนวระเจ้าต่างงี้มารดาบิดาเนี่ยเป็นผู้มีอุปการะต่อบุตรมากนะประคบประงมแสดงโลกนี้ต่อบุตรทั้งหลายอะรที่เราโตมาได้เนี่ยนะวันเด็กใครพาเราไปเล่นนะใครหาข้าวให้กินตอนป่วยคข้าพาไปโรงพยาบาลโอ๋อันนี้เป็นเป็นพ่อแม่ทั้งทั้งสิ้นเลยนะอันนี้อันที่สอง ส่วนที่3ที่พระาตรัสถึงก็คือเรื่องของการที่จะทํำยังไงให้มาลาบิดาเนี่ยเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในศรัทธามีศรัทธามีศีล ม, มีจาระฆามีปัญญาเราเราควรจะทำอย่างนั้นด้วยกุศโลบายทุกอย่างเพราะฉะนั้นในวันจริงๆแล้ววันเกิดวันเกิดของลูกเนี่ยนะวันเกิดของลูกคล้ายๆกับวันที่คุณแม่เนี่ยจะเสี่ยงชีวิตในการที่จะเสียชีวิตด้วยซ้ําต่เพราะว่าการคลอดการอะไรเนี่ย โอ้ยิ่งในสมัยก่อนนี่มันยิ่งมีอันตรายมากนะถึงแม้ในปัจจุบันนี้ก็ตามเถอะนะก็ยังอันตรายอยู่ดีมีการเสี่ยงชีวิตของแม่แเพราะนั้นวันเกิดของลูกควรแม่เนี่ยก็เสี่ยงตายแล้วเพราะนั้นในวันเกิดของแม่เราเองเนี่ยเราก็ควรจะระลึกถึงตรงนี้ด้วยก็ทำให้เหมือนกันใช่คือเหมือนกับว่าให้นึกถึงธรรมเหล่านี้เสมอๆ เ, เมื่อระลึกแล้วว่าท่านเป็นผู้มีอุปการะ มานดาวิดาเป็นผู้มีอุปการะมากประกอบแสดงโลกนี้ต่อบุตรทั้งหลายอ๋อแสดงโลกนี้ต่อบุตรทั้งหลายใช่ใกล้ของเราเนี่ยมีมารดาวิดาเป็นแดนเกิดค่ะเจรินขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดมารดาวิดาเป็นผู้มีอุปการะมากนะเอ่อประครบประงมแสดงโลกนี้ต่อบุตรทั้งหลายประครบประงมนี่หมายว่าลิ้ยงดูขึ้นมา ลุงยุงไม่ให้ตไตไรไม่ให้ตอมถูกอหมอันนี้ก็น่าคิดนะคะที่ว่าพระพุทธองค์เองเนี่ยยังทรงชี้ให้เห็นถึงว่าพ่อแม่เนี่ยมีบุญคุณชนิดที่ว่าให้เราเกิดมาเนี่ยก็คือเหมือนกับใช้ธาตุในตัวท่านเรียนเข้าใจอย่างนี้ปะใช่ใช่ใช่คือเป็นส่วนหนึ่งของตัวท่านที่เกิดมาเป็นเราเ พ, เพราะฉะนั้นเนี่ยการ จะตอบแทนบุญคุณเนี่ยมันไม่สามารถทําได้เลยไม่ว่าจะเอาของเคืงอะไรไปให้มันไม่เท่ากับใช้ตัวธรทำทีนี้ถ้าเราจะใช้ตัวทำเช่นเรายกขึ้นไว้บนบาบมันก็คแค่ทําไปนอกนะมันมันบุญคุณมันเกิดขึ้นแล้วพระเจ้าจึงให้ตอบแทนด้วยสิ่งที่เหนือกว่าขึ้นไปนั่นคือเรื่องของให้มีศรัทธาให้มีจาค่าให้มีศีลให้มีปัญญาคือคนส่วนใหญ่ น, น, นะคะท่านดิฉันเข้าใจว่าโดยธรรมชาติเนี่ย คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะระักแล้วก็จะเห็นบุญคุณของบิดามารดาในระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าในระดับที่จะเป็นจำแนกแบบพระพุทธองค์ตรัสไว้เนี่ยก็อาจจะต่อเมื่อมาได้ฟังคาพระศาสดาแต่ทีนี้ในการตอบแทนบุญคุณเนี่ยบางคนเนี่ยดิฉันไปเจอนะคะคุณแม่อายุแปดสิละผ ม, มบางคนเก้าสด้วยซ้ผมขาวโพลนเลยเ<บ>ขาดูแลคุณแม่เขาดูงดงามมากก็ให้คุณแม่นั่งเครื่องบิน ชั้นหนึ่งเลยนะคะอืมไปเที่ยวต่างประเทศโดยให้นั่งรถเข็นลูกก็เข็นไปรับประทานอาหารคือแบบว่าทุกคนคงคิดว่าการลำบากลาบนพาคุณแม่มาโดยไม่เคยคิดว่าเป็นความลําบากอืดีที่สุดแล้วค่ะนะคะดีดี ด, ดีก็เป็นทําหน้าที่ของบุตรนะบุตรเนี่ยก็เลี้ยงท่านเมื่อท่านเลี้ยงเราเราแล้วเราเลี้ยงท่านตอบอันนี้เป็นหนึ่งในห้าหน้าที่ค่ะ งั้นถ้าอย่างนี้ก็คือว่าไอ้ที่ทำๆกันอยู่เนี่ยดีแล้วแต่ถ้าจะทำให้ดีที่สุดก็คือว่าให้ท่านเป็นผู้มีศีลมีศรัทธามีจาาักกะมีปัญญาเพราะว่าปกติแล้วดิฉันเชื่อว่าก็คงจะมีบางครอบครัวนะคะต่อให้เขามีความระลึกในเรื่องของความกระตันยูใหญ่จะตอบแทนบุญคุณมากเท่าไหร่บางทีมันไม่อำหนวย่คะในโลกของทุนนิยมเราต้องเอาเงินซื้อความสะดวกสบายเพียบพร้อม ความสะดวกสบายก็อย่างหนึ่งคุณยมติ๋วแม่คนที่อายุมากขนาดนี้แล้วเนี่ยนะของอร่อยแค่ไหนคือถ้าถ้าเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์มาบ้างเนี่ยของอร่อยแค่ไหนก็กินมาแล้วล่ะนะที่ไหนที่มันสวยงามก็ไปมาแล้วล่ะนะคือมันเห็นมาหมดแล้วล่ะโลกอ่ ะ, ะ <Okay. S 1> สุภาษิตจีนก็ยังมีคําหนึ่งที่บอกว่า อ, อฉันเนี่ยกินเกลือมามากกว่าเธอกินข้าวอีกแปลว่าอะไรก็ได้ค่ะคือหมายความว่าฉันเนี่ย <c oughs> คือคือตัวมารดาบิดาเนี่ยนะ คือกินเกลือมามากกว่าลูกกินข้าวแต่สมมติลูกอายุสิบขวบอย่างเงี้ยปริมาณเกลือที่แม่กินมาตั้งแต่เกิดจนแม่อายุสี่สบห้าิบเนี่ยมากกว่าปริมาณข้าวที่ลูกกินจนโตาอายุสิบขวบอ๋อประเภทแบบเหมือนอาบน้ําร้อนมาก่อนใช่ใช่ใช่แมถูกต้องเพราะ เ, าเกลือใน <c oughs> กินได้ครั้งละน้อยเนี่ยพอกินไม่ได้มากกว่าเธอเนี่แบบว่าลองคิดดูใช้เวลาในการกินมากแค่ใช่ใ ช, ใช่อันนี้สุภาษิตจีนแต่ถ้าเป็นสุภาษิตไทยก็จะเข้ากับอาบน้ําร้อนมาก่อนนะตรงนี้เนี่ยพูดถึงก็คือว่า มันผ่านมาหลายอย่างแล้วนะผ่านมาหลายอย่างหมดแล้วดั ะ, ะ, ะนั้นสิ่งที่เราควรจะให้ท่านเนี่ยคือสิ่งที่ท่านไม่เจอมากกว่าที่ท่านไม่เคยเจอมาก่อนแต่ถ้าท่านไม่เคยสัมผัสกับความสุขที่เกิดจากในภายในโอ้โหคุณยิ่งควรจะทำให้ท่านได้เจอที่ที่มันจะมาหาไม่ได้ด้วยด้วยอะไรอะไ ร, ะไรในโลกนี้น ะ, ะต้องไปในภายในเท่านั้นเนี่ยยิ่งจะต้องทำให้ได้เลยสิ่งนั้นก็คือพระเจ้าพูดถึงศีลศรัทธาจาคะปัญญา ที่ท่านพูดบอกว่าท่านอะไรนะคะบริโภคเกลือกินเกลือมากกว่ากเธอกินข้าวเธอกินข้าวเนี่ยเลยนึกอีกอย่างนึง น, นะคะบางทีเนี่ยผู้ใหญ่ต่อให้เรามีความสามารถในการจะดูแลท่านมากแค่ไหนสังขารของท่านที่ร่วงโรยไปและเสื่อมถอยนี่ยหละคะ่ะจะเป็นตัวที่จะพาไปสวรรค์วิมารอะไรก็ไม่ไปแล้วใช่ไปไม่ไหวไปไม่ไหว อ, อยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นลูกก็เลยบอกว่าโอ้ยเราก็เลยหมดโอกาสที่จะทํา ดีที่สุดตอบแทนคุณแม่อย่างดีที่สุดโอกาสหมดไหมคะไม่หมดไงเพราะว่าดีที่สุดมันคืออะไรล่ะนั้นดีที่สุดอเกณฑ์อะไรมาวัดล่ะสมัยพระพุทธเจ้าก็เอาเกณฑ์จากการที่ไม่มีอามิ t h เนี่ยนะถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เป็นอา mith มันดีที่สุดไม่ใช่คุณคิดผิดหมายถึงว่าไม่ใช่คิดผิดหรอกคิดยังไม่บริสุทธิ์ร้อเปนะก็มีส่วนที่ถูกอยู่แต่ไม่บริสุทธิ์ร้อเปนะส่วนที่เหนือกว่านั้นมีอยู่คือสิ่งที่ไม่เป็นอามิตร เราเอาตรงนี้มาออฟเฟอร์ให้ท่านมาตอบแทนบุญคุณท่านและอยังกรณีของเรื่องปัญญาคุณหยมติว๋วสมมติเรานั่งสมาธิประจิตลงวางลงตู้มลงไปอย่างเงี้ยมันสบายใจมากตัวนี้คือปัญญานะเพราะเราปล่อยวางได้นะ mm. เพราะว่าคือคือคนที่อายุมากแล้วเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเออผ่านประสบการณ์มาแล้วจิตน่าจะแข็งแรงไม่เป็นอย่างนั้นนะบางคนไม่เป็นนะบางคนขี้ใจน้อยขี้จู้ขี้จุกจิก ข, ขี้บนเฮ้ยทํำไมเป็นอย่างนั้นตั้งที่อายุมากแล้วจิตใจน่าจะแข็งแกร่ง นะแล้วคนที่ใกล้วัยเนี่ยมันมันใกล้ความตายเนี่ยมันก็ถ้าไม่สามารถทรงจิตไว้ได้เนี่ยโอ้ก็จะยิ่งเป็นปัญหาหลายอย่างนะจะกระฟัดกระเฟียดจูด๊จี้จุกจิกคนขี้บ่นเป็นคนใจน้อยเป็นคนขี้นนขกังวลเป็นคนเจ้าทุกหลงหลงลืมลืมเป็นหมดเลยนี่เราจึงจะต้องรีบให้ท่านมีกําลังใจในการที่กําลังของจิตนะในการที่จะถึงวินาทีนั้นแล้วยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ นั่นเท่ากับว่าความเสื่อมเนี่ยมันพามาซึ่งการถดถอยของกำลังจิตด้วยหรือยังไงคะอืมเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจไงค่ะเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจจากอะไรโรคภัยไข้เจ็บเนะเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเจ็บหาหมอกินยาตายโอ้สารพัดจิตมันเลยเสื่อมกำลังอื ม, อมแล้วภาระต่างๆที่มากขึ้นนะไหนจะเรื่องลูก เรื่องลูกไม่พอเรื่องหลานหลานไม่พอหลานสะพ้ายหลานเขยเลนโอทั้งข้างนอกข้างในเพื่อนฟองูงโอ้มันยิ่งมีภาระหนักแต่กําลังจิตนี่ยิ่งถดถอยเพราะว่า <Okay. S 1> เพราะว่ากายมันมันถดถอยใช่ไหมมันก็เลยไปคนละทางแล้วมันก็จะเริ่มแตกและแล้วเราจะทํางให้จิตเนี่ยมีกําลังเพิ่มขึ้นด้วยนะกายเสื่อมถอยไม่เป็นไรนะภาระมากขึ้นไม่เป็นไรให้จิตให้มีกําลังมากขึ้นตาม พูดถึงกําลังจิตเนี่ยมันเสื่อมถอยไปตามอายุนะคะพูดถึงนะคะหมายถึงว่าโดยธรรมชาติความสามารถของจิตในการที่จะสร้างกําลังนะคะเสื่อมถอยไปตามอายุไหมคะไม่จะต้องพูดอย่างนี้ว่าจิตเนี่ยเสื่อมถอยไปตามเหตุปัจจัยในะเหตุปัจจัยของความเสื่อมถอยของกําลังจิตก็คือว่าการที่มีภาษาที่ไม่น่าพอใจเพราะนั้นถามว่าภาษาที่ไม่น่าพอใจมาจากอะไรได้บ้างจากที่อายุมากขึ้นเป็นไปได้จากที่ความแก่ชรามาครอบงําทําให้มีภาษาที่ไม่น่าพอใจเช่นเจ็บเช่นป่วยอันนี้เป็นไปได้ค่ะ เมื่อจิตเสื่อมถอยแล้วจะเป็นเช่นไรคะจิตเสื่อมถอยก็จะมีอาการอยู่2อย่างนะคือมีอะไรเข้ามากระทบเนี่ยมันดึงจิตเราไปทางตวานทั้ง6ใช่ไหมตานะหูจมูกลิ้นกายใจถ้ามันดึงไปได้เนี่ยนะจิตเราจะแตกจิตแตกจะเกิดอะไรขึ้นนะจะกระฟัดกระฟืดกระด้างกระเดึองแสดงความโกรธความขัดเกง ค, ค, ความไม่พอใจให้ปรากฏนะหรือ2จะร่ำให้คร่ําครวนทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงครั่งเป้อ ่เจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจสมมุติไปหาหมอหมอบอกคุณเป็นมะเร็งขั้นที่สี่แตกเลยแตกอย่างงี้ยนะมอ้มอค่ะจิตเสื่อมถอยนั่นไม่ดีเลยมันจะทําให้เราจิตแตกจะทําให้เราร่ำไห้ถูกต้องวงไฟไม่สงบระงับอืเรื่องนี้เราจึงต้องอย่าเป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังผู้เช่าพูดอยู่ประจำเลยอย่าเป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังอย่าเป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังะ ต, ตอนนี้เรายังอยู่ในปฐมวยัย ในมีผลอันดำสนิทนะมีกาลังตั้งอยู่ในถงใบเนี่ยควรจะรีบหาวิธีที่เมื่อเวลานั้นมาถึงแล้วเราจะเป็นผู้ที่ผาสสุขอยู่ได้ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นการที่ท่านทั้งหลายที่อาจจะอยู่ในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยหรือว่าอาจจะรวยจะตายแต่แม่ไปไหนไม่ไหวแล้วคุณแม่เนี่ยขอไม่ไป อย่างเดียวให้เอวอลทองคามารับก็ไม่ไปเนี่ยก็ก็มีวิธีที่ดีที่สุดวิธีช่วยไม่ให้จิตของท่านเสื่อมถอยอืมใช่เปล่าอย่างนี้ได้ไหมคะถูกต้องถูกต้องเห็นด้วยนะคะแล้วก็ที่ท่านบอกวาอ่าการให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาศีลจาคะปัญญาเนี่ยนะคะ <c oughs> เพื่ออะไรกันคะนี่แหละจะทำให้จิตไม่เสื่อมถอยอ๋อเป็นที่พึ่งในพบต่อไปได้อืม คือคนที่กำลังจะจะตายหรือว่ารู้ว่าตัวเองมากแล้วใกล้แล้วเนี่ยนะไม่มีที่พึ่งในจิตจิต จ, จะเขาจะเป็นคนใจน้อยขี้บน่นแล้วก็อย่างที่ว่า น, น่ลักษณะของจิตแตกแต่ถ้ามีที่พึ่งมีความมั่นใจนะก็จะสบายใจเพราะฉะนั้นศรัทธาหนีสาคัญนะปัญญาหนีสำคัญค่ะงั้นถ้าสมมติว่าในวันเกิดของคุณแน่ของใครก็แล้วแต่ ถ้าอยากจะทำในสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านสรุปสุดท้ายตรงนี้อยากให้ท่านไปบุญช่วยสรุปอีกสักครั้งจะทำอะไรให้กับท่านดีคะทำสิ่งที่ทำให้มีศีลทำให้มีศรัทธาทำให้มีจาคะทำให้มีปัญญาถ้ากิ จ, จกรรมใดๆที่ส่งเสริมคุณธรรมสีอย่างนี้ทำเลยทำบ่อยๆด้วยทำทุกวันไม่ใช่แค่วันเกิดทำทุกวันเลยจาคะคืออะไรทานคจาะคือการให้การบริจาค การให้การบริจาค ย, ยากจนบริจาคไม่ได้ทํำยังไงดีคะถามว่าคุณทําได้เท่าไหร่คุณก็ทำเท่านั้นเพราะว่าสิ่งที่เราต้องเอาออกนี่คือความตะหนี่ในจิตไม่ใช่เงินนะเราเอาความตะลันหนีในจิตออกอ๋อค่ะนะคะเพื่อก็เป็นเรื่องที่ควรจะทำให้ท่านทั้งหลายเนี่ยนะคะได้รู้วิธีแล้วก็จะได้ ไม่ต้องมานั่งไม่สบายใจว่าข้อที่1เงินไม่มีข้อที่สองมีเงินแล้วไม่มีประโยชน์เลยไม่สามารถตอบแทนคุณแม่ อ, มอย่างที่เราคิดว่าดีที่สุดให้กับท่านได้ก็มีสิ่งที่ดีกว่านั้นที่พระพุทธองค์ได้บัญญัติไว้นั่นก็คือเรื่องของการให้ท่านได้มีศีลให้ตั้งอยู่ในศรัทธาใช่ไหมคะใศรัทธานี่คือศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าการให้ท่านมีศีลรักษาศีลการที่ท่านให้ขจัดความตรหนีในจิตใช่ อันนี้ต้องให้ความรู้เลยนะคะเพราะบางคนเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่าห่วงอ่ะล้านล้านอ่ะอยากจะเก็บไม่ให้อ่ะนะคะอติอ่ะยังต้องใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้อ่ามีความรู้ว่าอย่าไปตระหนี่มันเลยในจิตเนี่ยนะคะกลับให้มีปัญญาได้ประโยชน์มากนะคะสําหรับผู้ที่อยากจะเป็นลูกกัตัญญูค่ะกล่าวขอบพระคุณท่านอาจารย์เทวบุญเป็นอย่างยิ่งนะคะเชิญบานท่านหวังที่ครบค่ะ เนี่ยค่ะจริงๆแล้วจะว่าไปศีลศรัทธาศีลจาคะปัญญาก็ถือว่าเป็นสุดยอดที่จะให้กับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือให้กับใครก็ได้จะให้ของขวัญกับใครที่ล้ำค่าแล้วคิดไม่ออกเขามีหมดแล้วหรือว่าไม่มีโอกาสไม่มีกําลังที่จะให้เขาลองนึกถึงศรัทธาศีลจาคะปัญญากันดูนะคะ รายการนี้ก็หยิบยกออกมาจากพุททวัจนะซึ่งท่านสามารถทบทวนได้จากหนังสือที่พระอาจารย์ครึกฟิสโซติปโรได้ทำในชุดพุททวัจนะมาแจกให้กับพวกเราทาง022690006นี้สำหรับวันนี้เรากราบลาท่านไปก่อนนะคะพุททวัตสวัสดีค่ะ